วันนี้เป็นโอ ก, กาสที่พวกท่านทั้งหลายได้มารวมประชุมกันณโอกาสนี้ทุกปีคณะเราเนี่ยทำการสอบธรรมะแนวก็มารวมกันทุกๆ ท, ท่าน ให้ประการเข้าใจทุกคนผู้ปฏิบัติคนสนใจการกระทําจิตวัดอจจริยวัดอุปชัยวัดอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนียวน้าใจของพวกเราทั้งหลายให้เป็นกลุ่มเป็นก้อน มีความสามาัคคีพร้อมเพียงซึ่งกันเด็กกันยังเป็นเหตุให้พวกเราได้ทำความคารพซึ่งจะเป็นมงคลในหมู่พวกของเราทั้งหลายตั้งแต่ครังพุทธการมาจนกระทึงบัดนี้ ทุกกลุ่มทุกเราถ้าขาดการคารพคารวะกันแล้วก็ไม่สําเร็จประโยชน์แม้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันจะเป็นคารวาะจะเป็นบรนปะชิดความมั่นคงก็ไม่มีถ้าขาดความคารบคารวะอันนี้ท่านอาจารย์เหลี่ยมซึงเป็นอนืประธาน อยู่ในทีน่นี้ที่เป็นผู้ช่วยผมเมื่อเวลาผมไปมาแนะให้หนาทีมอบนาทีการงานให้ทำธุระนาทีแทนได้นำพระภิกษุสามเณรมาทำจิตวัดคือแสดงความคารวะตลอดถึงขอนิสัยอืม ตามระเบียบประเพณีที่พวกเราทั้งหลายได้ทกันมาทุกปีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐถ้าการคารบคารวะไม่มีมันก็เกิดความประมาทอิดวัดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสื่อมสามไป คณะกรรมาฐานคณะปฏิบัติพวกเรานี้ที่มาอารมอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบห้าพรรษาแล้วมีความเจริญก้าวหน้ามาตามที่ผมสังเกตนั้นก็ดีว่าเจริญมาเรื่อยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็จะเสื่อมจนได้อันนี้ให้เราเข้าใจ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายอาศัยความไม่ประมาทเป็นอยู่มีความคารพมีความคาระวะทำจิตวัดอันนี้ติดต่อกันไปมาให้ขาดเดี๋ยวผมเข้าใจว่าความสามคีของพวกเราทั้งหลายนั้นจะมีความมั่นคง การประพฤติปฏิบัติในหมู่คณะของพวกเรานั้นก็จะเป็นเหตุให้ยืนโยงคงทนยังพุทธศาสนาอันนี้ให้เจริญไปนานคณะที่พวกเราทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้มันมากขึ้นมาหลายสาขาก็เลยแบ่งแบ่งตามการตามเวลาตามบุคคลคือปริยัต แต่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคู่กันโดยตรงแต่ว่าปริยัติกับปฏิบัตินี้เป็นของคู่กันมายังพุทธศาสนาให้เจริญถาวรรุ่งเรืองตลอดบบบนี้ก็เพราะการศึกษาแล้วก็รู้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเรานั้นเรียาารตริรกว่าการปฏิบัติ ถ้าหากว่าเราเรียนปริยัติอาศัยความประมาทคนบางคนเท่าที่ผมเคยสังเกตมาแล้วว่าสมัยหนึ่งผมอยู่นี่พระอยู่จำพรรษาประมาณเจ็ดองค์เป็นปีแรกผมก็เลยมาคิดว่าการปริยัติเรียนปริยัติ กับปฏิบัตินี้พูดง่ายๆเลยว่าผู้เรียนหนังสือกับกรรมฐานนี้ถ้าไปตั้งปริยัติขึ้นเมื่อไรเสรื่อมนี่โดยมากเป็นอย่างนี้เสื่อมทาการปฏิบัติก็เปลี่ยนไปในยากมันเสื่อมโดยมากเป็นเสอย่างนั้นทีนี้ เมื่อผมได้มาคำนึงถึงอันนี้ผมอยากจะรู้เหตุข้อมูลว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยมาตั้งสอนพระเนนในภาษานั้นเจ็ดองค์สอนประมาณสักสี่สิบวันสอนตลอดวันฉันเจ็นแล้วก็สอนจนหกโมงเย็นวันก็ไปสอบสนามหลวง ปรากฏว่าได้ผลเจ็ดองค์สอบได้หมดทุกองค์เลยอันนี้ดีแต่ว่ามันมีการบกพร่องอยู่อย่างหนึง่งกับบุคคลที่ไม่มีความรมัดระวังการเรียนปริญญาตินี้มันจะต้องอาศัยการพูดอาศัยการท่องบนต่างๆสาธยายเป็นธรรมดา เป็นต้นบุคคลที่ไม่ค่อยสังวรไม่ค่อยสังรวมนั้นก็เลยทิ้งการปฏิบัติตมาท่องมาบนจดจาด้วยสัญญาซะเป็นอย่างมากเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนั้นทิ้งบ้านเก่าเราทิ้งมูลเก่าเราทิ้งข้อปฏิบัติอันเก่าเราไปโดยมากมันเป็นเช่นนี้ทีนี่เมื่อเรียนจบแล้วสอบสนามหลวงแล้ว ดูกิริยาพระเน น, นต่างเกา่าเดินจงกรมก็ไม่ค่อยมีนั่งสมาธิก็น้อยการคลุกคี่กันก็นมากขึ้นความสงบระงับมันน้อยลงนี่เป็นซะอย่างนี้ที่นี่การปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินจงกรมเมื่อเรินจงกรมล้วก็ตั้งใจเดินจงกรม เมื่อนั่งสมาธิเราก็ตั้งอกตั้งใจทำเมื่อเดินอิธิยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็พยายามสังวรสังรวมที่นี่เมื่อเรามาเรียนหนังสือเสแล้วมันเป็นสัญญาสายด้ยมากโกเดเพลินไปตามปริยัตอันนั้นกิริยาอันนั้นเรื่มตัวเรืมตัวจ้ะโกไดเล่นอารมณ์ภายนอกหลายฉะนั้นการปฏิบัติเดินจงกรมนี่น้อย การนั่งสมาธินี่น้อยเนี่ยการครุกขีกันมากขึ้นนี่มันเป็นเสียอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นแต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีปัญญาบุคคลที่ไม่สังวรทั้งรวมบุคคลที่ไม่มีสติติดต่อกันก็เป็นเหตุให้เสียหายใดเหมือนกันมันเป็นข้อเหตุนั้นทนี่เมื่อนักเรียนเรียนหนังสือไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้เดินจงกรมการสังวรสังรวมมันก็น้อยเป็นเหตุกิจพุกซ่าการพูดปรำประระไม่สังวรสังรวมจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มากขึ้นมาอหลายขึ้นมาหลายขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมมันเป็นเพราะไม่ใช่เป็นเพราะปริยัตไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติมันเป็นเพราะบุคคลเราไม่ตั้งใจดื่มเนื้อดืมตัวเสีย ความเป็นริงปริยัตนี้เป็นของชี้ช่องทางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเนี่ถ้าหากว่าเราไปเรียนเขาแสดงลืมตัวนะการพูดมันก็ามากการเด่นมันก็ามากการเดินจงกลมทิ้งไปหมดเนี่ยแล้วก็มีความกระสานอยากจะศึกโดยมากก็เรียนหนังสือไปเลยตัศึกกันคุยกันอันนี้เป็นเหตุไม่ใช่ว่าเพราะปริยัติไม่ดี ปฏิบัติไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพราะพวกเราทาั้งหลายนั้นขาดการพินิษพิจารณาความเป็นจริงการปฏิบัตินั้นจะอ่านหนังสือจะท่องหนังสือจะอะไรมันก็เป็นกรรมาฐานกันทั้งนั้นเนี่ยอ่าฉะนั้นว่าเป็นเช่นนี้ในภรษาที่สองมาผมเลยเลิกสอนเลิกเลิกการสอนปริยัติที่อีกหลายปีต่อมาอีกมีมากขึ้นมาคุณบุตรมากขึ้นมา จำเป็นก็ต้องบางคนมันก็ไม่รู้เรื่องอน ะ, ะเรื่องพระธรรมวินัยส ม, มุดบัญญัติแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะก็เลยปรับปรุงขึ้นมาใหม่ได้เราเรียนกันมาแล้วก็ขอแรงครูบาอาจารย์ผู้ที่ไใดเรียนมาแล้วสอนอสอนเขาอยากให้ตั้งเป็นสำนักเราก็ไม่เอาอพยายามสอนจนตลอดมาถึงถึงวันนี้ การเรียนปริญต์เกิดขึ้นมาทุกวันนี้นี่แค่นั้นทุกปีเมื่อเรียนเสร็จแล้วผมก็ให้ประกันเปลี่ยนใหม่าำรับตำราต่างๆนั่นโดยมากที่มันไม่สำคัญอ่านแต่เฉพาะเที่มันเป็นข้อปฏิบัติเรานอกกันเอาเ่ตู้ไว้อเอาเ่ตู้ไว้ะเก็บสร้างใหม่เข้าหลักเดิมของเรา มายกคอประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเช่นส่วนรวมเช่นว่าหนึ่งจะต้องทําวัดสวดมนตร์ร้อมเพยียงกันอันนี้เป็นหลักอมันเป็นหลักมันเป็นหลักอันนี้ได้บุญทําไปเพื่อแก้กความขี้เกียจแก้กความรําคาญเป็นเหตุให้ระคยายันมันเทียนขึ้นมาทุกคนก็กระทากันมา ไเรื่อยมาตลอดตัววันนี้ฉะนั้นปีนี้กรมบันกันฉันนั้นให้พวกเราทางหลายเข้าอย่าทิ้งหลักการประพฤติปฏิบัติอย่าทิ้งหลักมันการพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยการสงบระงับไม่คุกครีหมู่คณะอืเนี่ยการเดินจงกรมเป็นประจำเมื่อได้โอกาสแล้วการนั่งสมาธิเป็นประจำ าการประชมุมกันเนืองนิดในคราวที่ควรประชุมนั้นอันนี้ขอให้เอาใจใส่เอาใจใส่ทุกทุกท่านต่อไปในการงานสนิทนี้มันก็แยกเป็นประเภทอีหลายอย่างตามที่เราพิจรารณาบางท่านเช่นว่าเราตั้งให้คณะหนึ่งเป็นผู้แทน วยเช่นว่าการติดต่อทางหนังสือส่วนรวมของเราหรือการซ่อมเสนาสะนะบางอย่างเพื่อจะให้พวกเราสะดวกขึ้นมา อ, มอันนี้ก็โดยมากผมก็ให้อาจารย์เหลี่ยมนี่เป็นประธานใหญ่เขาอยู่ในนี้อยู่เนื่อเนวิราพลแป้งอื ม, อ ม, อม คำพันอันนี้เป็นต้นย่อๆก็ยังมีอยู่อีกหลายเป็นผู้มีภาระธุระสาหรับให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเป็นผู้ประทับข้อเป็นไปต่างๆถึงการบรรพชาอุปสมบทอย่างนี้พวกนี้เป็นภาระหนักที่จะต้องรับรองพวกเราทางายให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเมื่อเป็นเช่นนี้บางทีกิจ การสวดมนต์ในการประชุมต่างๆเล็กๆน้อยๆบางทีท่านก็ขาดไปเพราะมันมีธุระส่วนหนึ่งอีกเป็นต้นนอกนั่นไปอีกเราไม่มีธุระอะไรมากทีเดียวไม่มีธุระอะไรมากมายมีการทรงข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําำทำสอนเคยกระทํามานี้สวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็น การเก็บกวดอะไรต่างๆการเที่ยวบินธาบาัติการสั้างวอทั้งผู้ใหม่เราจะอาศาัยผู้เก่าปกครองเราความปฏิบัติเราก็สะดวกขึ้นมาอันนี้เขาให้ทําความเพียรอย่างเต็มที่อืมอย่างเต็มที่อืมจิตของเราส่วนนี้จิตส่วนเดินที่จิตสูงไปก็นี้อีกนะท่านรับรองแล้วอย่างแขกไปมาหาสู่อย่างนี้ก็มีผู้ปฏิสันต์ตอนรับ พวกเราก็ไม่ต้องบางการบางเวลานั้นภาละของเรามันก็น้อยลงเมื่อพาละเราเราน้อยภาระที่กว่ยกพฤชปฏิบัตินั่นก่อสำรวมสังบอลมันก็มากขึ้นฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าเอาไอ้โอกาสดีๆอันนี้ไปทิ้งพึ่งทําพึ่งประพฤติธปฏิบัติเมื่อมีใครเมื่อมีใครต่อสู้อะไรอะไรอยูนะ่แทนตัวเราอยู่เราจะมีโอกาส เช่นอยู่ใต้ความปกครองครูบาอาจารย์ครูวาอาจารย์ท่านก่อปฏิบัติป้องกันชั้นหนึ่งให้พวกเราทา้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันไปก็เป็นกันมาอย่างนี้ฉะนั้นจึงให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเข้ารวมกันทำสามาธีเข้าหลักเดิมเคยเดินยงกรมก็ต้องเดินเคยนั่งสมาธิก็ต้องนั่งเคยมาทำวัดตอนเช้า ทำวัดตอนเย็นนั่นก็พยายามอันนี้เป็นจิตของท่านโดยตรงอันนี้ให้ประการตั้งใจอืคนอยู่เฉยๆนั่นไม่มีกําลัง่ะไม่มีกําลังอคนป่นๆแป้นๆเนี่ยคนที่อยากจะสึกบุ่นวายดูนี่ก็คือคนที่ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่มีงานทำเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะอืในจิตพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นพระเป็นเนรเนี่ย เราไดอยู่ดีกินดีแล้วเราจะสบายสบายไม่ได้การมาสุขานิการโยโค น, นี่มันเป็นเหตุนะมันเป็นพิษอย่างมากทีเดียวเลยให้พวกท่านทางหลายกระเสือกกระสายหาข้อประพฤติปฏิบัติของเจ้าของเพิ่มข้อวัดขึ้นเตือนตอนเองมากขึ้นมากขึ้นอันไหนที่มันบกพร่องก็พยายามทำทำขึ้นไป อ, อย่าไปอาศัยอย่างอื่นเป็นอยู่คนไม่มีกาลังคนที่จะมีกาลังนี้ เดินจงกรมนี้ได้ขาดนั่งสมาธิดูพระเนนก็ได้ อ, องค์ใดทางวัดฉันเสร็จแล้วหมดธุระแล้วเข้าไปกติของเราจากกีวานไววก็เดินจงกมมรมเดินไปตามกติเราถนัดเราจะเห็นทางเดินจงกรมเป็นแถวจนกว่าเราเห็นบ่อยครั้ง การเดินจงกรมการนั่งตามที่ท่านตรงนี้ไม่เบื่อไม่นาย น, นี่ท่านมีกำลังท่านเป็นผู้มีกำลังมากยกตัวอย่างเช่นพระหนุ่มๆ น, น้อยๆที่อยู่วัดเหานี่พอยกเป็นตัวอย่างได้เช่นคุณทองจั น, นคุณทองจันนั่นเป็นตัวอย่างที่อยู่ใกล้ผมนั่นผมเคยพิจรารณารอบคอบพอสมควรเป็นพระ เล็ ก, กน้อยๆสนใจในข้อปฏิบัติของเจ้าของมากทีเดียวจะอยู่ใกล้ชิดครูมาอาจารย์ก็ปฏิบัติจะออกไปแล้วก็ต้องปฏิบัติอันนี้เป็นผู้เอื้อเฟื้อในข้อประพฤติปฏิบัติอืมอันนี้พระหนุ่มๆน้อยๆองค์นี้องค์หนึ่งที่เราจะเอาเป็นปฏิปทาเราจะดูออืมดูอันนี้ท่านปฏิบัติของท่านเรื่อยๆ อาจเป็นพระน้อยกว่าจริงบางทีพูดโกมาก็มีเหตุผลพอสมควรนี่ออันนี้ไม่ใช่วาสนาเสริญท่านหรือยกท่านอะไรพูดตามความเป็นจริงอยู่ที่ผมเคยพิจารณาทุ ก, ท, กทุกองถ้าหากว่าเอื้อเฟื้ออยู่ในการทั้งหลายเหล่านี้แล้วผมว่ามันสบายไม่ค่อยมีอะไรมากมายนี่ถ้าหากว่าใครไม่อยู่ในการปฏิบัติในการประพฤติในการเดินจงกรมทมสมาธิเนี่ยนไม่มีอะไรไมิได้การเที่ยว มันไม่สบายตัวนี้ไปเที่ยวตรงนั้นมันไม่สบายตรงนั้นก็ไปเที่ยวตรงนี้เท่านั้นแหละไอ่กลอนไปมาด้วยเนี่ยอย่างนั้นมันก็ไม่ตั้งใจกันไม่เคยดีนี่อ่าไม่ต้องอะไรมากมายเถอะเราอยู่ให้รู้จักข้อวัดปฏิบัติเถอให้มันสุขุมซะก่อนเถอะนี่การเที่ยวไปมานั่นมันเป็นของหลังมันเป็นของภายหลังมันไม่ยากของง่ายง่ายมันไม่ยาก ตั้งใจกันทุกๆคนอันนี้พูดถึงการเสื่อมการเจริญมันก็เป็นมาอย่างนี้ทางว่ามันดีจริงๆแล้วก็แบบปริยัติก็พอสมควรนะปฏิบัติก็พอสมควรเป็นคู่เคียงกันไปอย่างกายกับจิตนี่เป็นตัวอย่างจิตก็มีกำลังกายก็ปราศจากโลก เท่านี้นะกายกายัจิตเนี่ยมันก็ได้รับความสงบรแล้วครับถ้าหากว่าจิตวุ่นวายกายสมบูรณ์อยู่มันก็เป็นไปได้ยากอืถ้าหากว่ากายมีเยทนามากจิตเราไม่มีกําลังนจิตนั้นก็มายึดกายได้อีกเป็นต้นก็ไม่สบายกันไปอีกอืมีพูดถึงผู้ที่ยังศึกษาอยู่ เราจะต้องศึกษาอย่างนี้ <c oughs> การศึกษาในในทางกรรมฐานเหล่านี้น่ยศึกษาเรื่องการละยิเดช ศ, ศึกษาเรื่องการบำเพ็ญและการล ะ, ะที่ได้่าศึกษานี้ถ้าหากว่าเราถูกอารมณ์มาเรายังไปหยึดไหมยังมีวิตวกวิจาร์ไหม มีความน้อยใจไหมมีความดีใจไหมพูดง่ายๆไปเรายังหลงอารมณ์เหล่านั้นอยู่ไหมหลงอยู่เมื่อไม่ชอบก็แสดงความทุกข์ขึ้นมาเมื่อชอบก็แสดงความพอใจขึ้นมาจนเกิดเป็นกิเลสจนใจเรามันเศร้าหมองอันนั้นเราก็มองเห็นเราเลยว่าอันนั้นเรายังพร่องอยู่ เรายังศึกษาอยู่เรายังบกพร่องอยู่เรายังไม่สมบูรณ์บริบรุ์เราจะต้องศึกษาจะต้องมีการละจะต้องมีการบาเพ็ญอยู่เสมอ <tunnel. S 1> ไม่ขาดนี่พูดที่ต้องศึกษาอยู่มันติดตรงนี้เราก็รู้จักว่าเราติดอยู่ตรงนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักว่าเราเป็นอย่างแก้ไขเราจะต้องแก้ไขตัวเราเอง อยู่กับครูบาอาจารย์นะอยู่กับครูบาอาจารย์หรืออยู่นอกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันในความกลัวนั้นบางคนก็มีความกลัวถ้าไม่เดินจงกรมถ้าไม่ทํากลัวครูบาอาจารย์จะดุจะว่าเอานี่ไปยังดีอยู่ดีอดีอยู่แต่ว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่แท้น่ะไม่ต้องกลัวใคร ว่าความประมาทมันจะเกิดขึ้นมาว่าความผิดมันจะเกิดขึ้นมาที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่เองเมื่อเราเห็นความบกพร่องที่กายที่วาจาที่ใจของเราแล้วเราก็จ้องพิจารณาควบคุมจิตใจเราอยู่เสมออัตโนโจทยัตนนังจนเตือนตนด้วยตนเองไม่ต้องทิ้งการงานอันนั้นให้คนอื่นช่วยเรารีบปรับปรุงเราเสียอืม ให้รู้จักอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาควรละควรบําเพ็ญจับอันนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นแกมแจ้งที่เราอยู่กันนี้ใน ก, การอดทนอดทนต่อจิตดีทั้งหลายนี้มันก็ดีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติอันนี้ยังอดทนอดทนอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ ก็ไปยังยังไม่เห็นธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นธรรมแล้วไอสิ่งที่ใดมันผิดเราก็ละมันได้จริงๆอืงอันใดมันเกิดประโยชน์โลก็ประพฤติอันนั้นให้มันเกิดได้จริงๆเมื่อเราเห็นในจิตของเราอย่างนี้เราก็สบายใครจะมาว่ายังไงก็ช่างใครนี่เราเชื่อจิตของเจ้าของมันไม่บูดวายจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปได้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่ง ทีนี้พวกเราเป็นพระเล็กเน้นน้อยบวชเขามาปฏิบัติบางทีเห็นครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยเดินเดินจึงกมไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยทําอะไรต่ออะไรของท่านเราก็ไปเอาตัวอย่างตัวอย่างท่านนั้นเนี่ยเนะี่หลักธรรมยาใครเอาเยี่ยงอยากจะไปเอาอย่างท่าน ยยอย่า ง, งยางมันเป็นอย่างหนึ่งอย่างมันเป็นอย่างหนึ่งคือสิ่งอะไรที่ท่านมีพออยู่สบายแล้วท่านก็อยู่สบายสบายถึงแม้ท่านท่านไม่ทําทางกายทําทางวาจาทางใจท่านก็ต้องทําของท่านไอสิ่งภายในจิตนั่นมันมองไม่เห็นการประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนี่มันเรื่องของจิตถึงแม้ไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเรื่องจิตมันก็เป็นส่วนจิตนี่ ฉะนั้นมาเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานานแล้วพอสมควรแล้วอืบางทีท่านก็ปล่อยกายได้ปล่อยวาจาของท่านแต่ท่านควุมจิตของท่านท่านทั้งรวมอยู่แล้วถ้าเราเห็นเช่นนั้นเราไปเอาอย่างท่านแล้วก็ปล่อยกายปล่อยวาจาแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องมันมันก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยมันคนละที่อืมอันนี้ให้พิจารณาอืมมันมันมันมันต่างกันทนเลย มันอยู่คนละที่แล้วการปฏิบัินี้อันนั้นไม่ท่านนั่งอยู่ท่านก็ไม่มีความประมาทเราก็ไม่รู้จักท่าน uh huh. uh huh. ท่านไม่วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายแต่ท่านก็อยู่ในสิ่งอันนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้จักท่านก็สิ่งในใจนั้นไม่มีใครรู้จกักเราจะไปดูตัวอย่างข้างนอกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้นี่มันเป็นของที่สําคัญ เรื่องจิตนี้เป็นของสําคัญเรานี่ถ้าพูดไปอย่างนี้มันก็ไปตามการพูดถ้าทําอย่างนี้มันก็ไปการไปตามการกระทำํำทางนั้นนะบางทีที่ท่านทํามาแล้วน่ะกายของท่านท่านก็ทําได้วาจาของท่านท่านก็พูดได้เนี่ยแต่จิตของท่านไม่เป็นไปตามนั้นเพราะว่าจิตของท่านปลารบธรรมปลารบธรรมปลาลบวินัยอยู่ เช่นบางอย่างท่านจะทรมานเพื่อนฝูงนิืทรมานลูกจิตอะไรต่างๆการวาจาของท่านพูดไปก็หยาบหยาบนะไม่ค่อยเรียบร้อยทางกายของท่านก็หยาบอันนี้เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้ น, นเราก็เห็นแต่กายของท่านส่วนภายนอกวาจาของท่านภายนอกส่วนจิตของนั้นที่ท่านปาลาบทำหรือปราบปีินนั้นท่านมองเห็นไม่ได้ ฉะนั้นให้ยังไรก็ตามเธอหนาะยัางนี้ยก็ช่างมันเถอะให้เรายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่าประมาทความไม่ประมาทนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายความประมาทนั่นแหละคือความตายให้ถืออย่างนี้ใครจะทำอะไรก็ช่างใครเถอะเราอย่าประมาทเท่านั้นอันนี้เป็นของที่สำคัญอันนี้ที่ผมกล่าวมานี้เพื่อจะเตือนพวกท่านทั้งหลายนั้นว่า เวลานี้เราสอบสนามหลวงมาเสร็จแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเที่ยวสัญจรไปมาแลวก็มีโอกาสที่จะทำอะไรอะไรหลายอย่างขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสำนึกรู้สึกเจ้าของอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติต้องสังวรสังรวมระวังอย่างคาสอนที่ทาารสอนว่าพิกคุ หรือว่าภิกษุภิกขุแันแปลว่าผู้ขอถ้าใครแปลอย่างนี้มันกับการปฏิบัติมันกับไปรูปหนึ่งหยับหยาบถ้าใครเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารเนี่ยมันก็ซึ่งกักนทั้งนั้นเนี่ยมันดึกซึ่งกันทั้งนั้นผู้เห็นภัยในสงสารก็คือเห็นว่าโทษของวัฏฏะทั้งหลายนั้นในวัฏฏะสงสารนี้ มันมีภัยมากที่สุดแต่ว่าคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ไม่เห็นภัยในสงสารนี้เห็นความโศกเห็นความจนนามจนานความรื่นเริงบันเทิงในโรคอันนี้แต่คำพระท่านพูดเป็นธรรมะท่านว่าพิกขุผู้เห็นภัยในสงสารสงสารก็คืออะไรสงสารนั่นมันก็คืออะไรสังเสดทรุกขังสังสา ร, ขขสสร ท, ขขทุกขังทุกในสงสารนี้ เดือที่จะทนไม่ได้แล้วมันมากเกินเนีตยตลอดระยงความสุขอย่างนี้มันก็เป็นสงสารท่านก็มาให้เขาไปยึดมันถ้าเรามาเห็นภายในสงสารเห็นความสุขเราก็ยึดความสุขนั่นเข้าไปไม่รู้จักทุกข์ย่าเราไม่รู้จักอะไรเช่นนี้คล้ยๆไม่รู้จักความผิดเหมือนเด็กไม่รู้จักไฟมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ ว่าพิกุผู้เห็นภัยในสงสารถ้ามีธรรมะขอ้อนี้เข้าใจอย่างนี้มันจมอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายนั้นผู้นั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนเป็นต้นก็เกิดความสะ ด, ดุดเกิดความสังเวชเกิด ค, ความรู้ตัวเกิด ค, ความไม่ประมาทอยู่ที่นั่นแล้วถึงท่านจะนั่งอยู่เฉยเฉยก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะนอนอยู่เฉยเยของท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้น ท่านจะทําอะไรอยู่ก็ท่านเห็นภัยอยู่อย่างนั้นอันนี้มันอยู่คนที่กันจะแล้วอันนี้การปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าผู้เห็นภัยในสงสารถ้าเห็นภัยในสงสารแล้วท่านก็อยู่ในสงสารนี้แต่ท่านไม่อยู่ในสงสารนี้รู้จักสมมุติอันนี้รู้จักบัญญัติอันนี้ท่านจะพูดก็พูดต่างเราทําก็ทําต่างเราคิดก็คิดต่างเราถ้าบุาคคลไม่ฉลาดก็ไปจับกดทุกสิ่งทุกอย่างมันสำไม่ได้ อันนี้เนี่ยเวลานี้เราก็จะต้องมีการมีงานอะไรตัวอะไรหลายอย่างพวกเราทาง้อยีปากันถือจะอยู่ตามสาขาต่างๆก็ดีจิตอันนี้อย่าทิ้งส่วนผมปีนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายไม่ค่อยดีดฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างผมก็มอบให้ พระศิษ์ส่สามเณรทุกทุกองพากันช่วยกันทําต่อไปอช่วยบางทีพวกกบพักค่อนโดยมากก็ชอบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรามานะพ่อแม่ทางโล ก, กเหมือนกันถ้าพ่อแม่ยังอยู่นั้นลูกเจ้าก็สบายสมบูรณ์ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วลูกเจ้าทัน แตกกันแยกกันเป็นคนรวยมากับเป็นคนจนเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่แล้วเรามองเห็นอยู่เช่นว่าเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่อย่างนี้ก็สบายมสมบูรณ์บมดีบูนยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นถ้าท่านยังชงพระชนอยู่นั้น ก็เรียกว่ากิจาการต่างๆนั้นก็เรียกว่ามันเรียบร้อยมันดีขึ้นทุกอย่างเมื่อท่านปรินิพานไปแล้วนั่นความเสื่อมมันเข้ามาเลยก็เพราะอะไรเพราะเราว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่เราก็เผอไปประมาทไปไม่ขำำมักขมันในการศึกษาและระพปฏิบัติ ทางโลกก็มือนกันพ่อแม่ยังอยู่แเราก็ปล่อยให้พ่อแม่อาศัยพ่อแม่ว่าเรายังอยู่ตัวเราก็ไม่เป็นการเป็นงานเมื่อพ่อแม่ตายไปหมดแล้วเป็นส่วนก็เป็นคนจนนี่อย่างนี้มันชอบเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ก็ชอบเป็นอย่างนั้นเหมือนกันฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์เราก็เหมือนกันถ้าหากว่าครูบาอาจารย์หนีหรือมรณภาพไปแล้วชอบคลุกคีกันชอบแตกสามากีกัน ชอบเสื่อมเกือบกั บ, กบทุกแห่งเลยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทั้งหลายประกันเผือตัวเผือเลอตัวอยู่เมื่อพ่อแม่เรายังอยู่นะเราก็อาศัยบุญบารมีพ่อแม่อยู่มันก็ไม่เป็นอะไรสบายเมื่อพ่อแม่นี้ไปแล้วเราก็ว่างเมื่อเราอยู่กับพ่อกับแม่นั่นนะ่ะเรามาอยู่แต่โอวาทธรรมคําสั่งสอนของพ่อแม่ ได้การมาหยิบเอาข้อประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ของเราปฏิบัติมาแล้วลการกระทํานั้นไปทําให้เข้าอกเข้าใจให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันครูบาอาจารย์เราคือเหมือนกันเช่นนั้นถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่แนะนํำพรมสอนมาท่านเสียไปแล้วลูกจิตชอบแตกกันชอบแยกกันความเห็ น, หนต่างๆกันแยกกันแล้วอาจจะแยกกันไปอยู่แห่งหนึ่ง องค์ที่คิดผิดก็ไปอยู่แห่งหนึง่งองค์ที่คิดถูกก็ไปอยู่แห่งหนึง่งอผู้ที่ไม่สบายใจดีกว่าไปจากเพื่อนไปตั้งใหม่อีกก่อขึ้นมาใหม่อีกก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่อีกมีบริษัทมีบริวารประพฤติ ด, ดีประพัติชอบขึ้นมาอีกในกลุ่มนั้นชอบเป็นกันอย่างนี้ตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เพราะพวกเราทั้ให้บกพร่องบกพร่องเมื่อครูบาอาจารย์ยังอยู่ หรือพ่อแม่ยังอยู่เราพักันอาศัยความประมาทเป็นอยู่ไม่หยิบเอาคอวัดปฏิบัติอันนั้นที่ท่านทํานั้นที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานั้นยกข้นมาใส่ใจของเราจะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ค่อยมีดังใจครั่งพุทธการเราคือมันการเคยเห็นไหมเราเรียนทั้งคำกันนี้อื่พระที่สุภูเท่านะี่ยังไงนะ คืพระอารีู่นั่นนะพระมหากัชปืะมาจากเมืองปวารมาถามปฏิภาณช่วว่าพระพุทธเจ้าของเราอ่ะยังสบายดีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าปฏิภาปไปเจ็ดวันเสแล้วนี่พระทั้งหลายที่มีจิตเดชนาปัญญาหยาบยังไในบรรุมกผลนิพพานก็น้อยใจร้องไห้ก็มีควรค้างในหลายอย่าง ผู้เชื่อธรรมะเก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราแต่นี้พานไปแล้วไปด้วยดีเนาะผู้ที่มีเกลเอ็มากก็เรียกว่าท่านจะร้องไห้ทําไมพระพุทธองค์นันท่านนิพผ่านดีแล้วเราจะอยู่สบายกันมเมื่อท่านยังอยู่นั้นจะทําอะไรก็ไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่ได้คัดข้องทั้งนั้นแหละเราอยู่ลําบากใจเราอันนี้มันดีแล้วท่านนี้ผ่านไปเราสบายเลยอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะพูดอะไรก็พูดแล้ว อันนี้ท่านจะไปรองไห้ทำไมมันดีแล้วท่านมิพานแล้วนยไม่มีใครมาขัดคอเราต่อไปอีกเราจะประกันสบายมันเป็นมาแต่นู้นครับมันเป็นมาอยู่อย่างนี้อืมะมันเป็นเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันเถอะถึงในครั้งพระพุทธเจ้าเราก็เอานี้ไหวไม่ได้แต่ว่าอย่างเรามีแก้วน้ำใบหนึ่งเราพยายามรักษามันให้ดี ใช่แต่ประเชษมันเก็บมันที่ที่สมควรเก็บไว้นมัตระวังแก้วใบนั้นครับมันจะได้ใช้ไปนานเราใช้ไปเสร็จแล้วคนอื่นคนจะใช้ต่อไปนานๆให้มันนานครับเท่าเทียมันที่นานได้นี่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราใช้แก้วแตกวันละบละใบะใบละใบบกับเราใช้แก้วใบหนึ่งสิบปียังแตกเนี่ยมันก็ต่างกันไม่แน่มันก็ดีกว่ากันมั้ย มันก็เป็นอย่างนั้นข้อประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เหมือนกันอย่างงั้นผู้อุปสมบทมาในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าของเราตั้งใจไม่เลือกการเลือกเวลาออกฟรนซาก็บวชได้เข้าออพันซาก็บวชได้ทุกอย่างเพราะจะเห็นประโยชน์ว่ากุณบุตรลูกหลานผู้มีศรัทธาบวชในพุทธศาสนานี้คนองค์เดียวผู้มีศรัทธา อย่งางศาสนาตะถาคตทีให้จเจริญงอกงามถาวรรุ่งเรืองเป็นนานไม่ต้องมีการมีเวลาในการบวชในการอุปสมบทนี้อันนี้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดท่านเห็นในแง่นี้อย่างนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันได้หลายองค์อย่างนี้น่ะนะอปฏิบัติให้สม่ำเสมอให้ดีมากๆเคยจากสิบองค์จากสิบองค์ วัดประพงษ์นี่จเจริญวัดไหนก็จเจริญเหมือนกับคนในบ้านบ้านหนึ่งนั่นแหละคนในบ้านนั่นเน่ยขนาดสักร้อยลังคามีคนดีสักห้าสิบเนี่ยบ้านนั่นกะ็เจริญอันนี้มันจะหาสักสิบคนก็ยากอย่างนี้นะอย่างวัดหนึ่งอย่างนี้นะจะหาครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมานั้นมีศรัทธาจริงจังนั้นสักห้าหกองอย่างนี้มันก็ยากมันเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่านอกจากการประพฤติดีประพฤติชอบไปแล้วอันนั้นก็ไม่มีหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วเพราะว่าพวกเราทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรแล้วดูที่เครเอาอะไรไห ม, มทรัพย์สมบัติเราก็ไม่หาแล้วไม่เอาแล้วอืมครอบครัวเราก็ไม่มีแล้วอะไรทุกอย่างแม้แต่ตงแ่การชันก็ยังฉันมือเดียว เราละมาหลายหลายอย่างแล้วไอ้สิ่งที่มันดีดีกว่านี้เราละมาเยอะแค่ค่ายก็ดีว่าเป็นพระนี่ละหมดไม่มีอะไรทั้งหมดไอ้สิ่งที่โลกเขาชอบชอบกันนั้น่ะทิ้งหมดแล้วก็ตกลงว่าเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อหวังการประพฤติปฏิบัติพราะเราละมาแล้วอะละมาแล้วไม่เอาอะไรแล้วเราจะมาคิดเอาอะไรอีก จะมาเอาโลภอีกจะมาเอาโกรธอีกจะมาเอาหลงอีกจะมาเอาอะไรต่างๆไว้ ใ, ในใจของเราอนันนี้มันไม่ควรมันไม่สมควรเลยให้เราคิดไปว่าเราบวชมาทําไมกันเราปฏิบัติกันทําไมกันบวชมาปฏิบัติอบวชมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็อยู่ไปเฉยๆท่านั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติอะไร่าเหมือนคารวะปนิมนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่ทําธุรน า, าทีการงานของเรานี้มันก็เสียเพศสมัม น, นะ์ผิดความมุ่งหวังมาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเราตายแล้วเรียกว่าเราประมาทแล้วเราประมาทแล้วก็เรียกว่าเราตายแล้วอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจนานๆก็พิจารณาไปเถอะให้ความตายอ่ะให้ความตายอย่าไปลืมในความตายเนี้ยเมื่อไรจะตาย ดูติธรรมเมื่อไรตายมีเวลาไม่ตายให้เราคิดคิดเตือถามทวงเราเสมอละว่าตายไห ม, มเมื่อไรตายให้เราทวงบ่อยๆนะตายเมื่อไรตายนถ้าเราคิดเช่นนี้นะ่ะจิตใจเราจะระวังทุกวินาทีเลยทีเดียวอืมน่ะ ความประมาทความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อความประมาทไม่มีแล้วสติสติความะระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดมา ท, าทันทีปัญญาก็แจ่มแจ้ ง, งเห็นอะไรเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจน ในเวลานั้นเราก็มีสติประคองอยู่รอบรูปอยู่ทางอารมณ์ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสิ่งสารพัดนั้นเนี่ยเป็นภูมิสติอยู่ถ้าเป็นผู้มิสติอยู่ก็เป็นผู้สังรวมอยู่เป็นผู้สังรวมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายอืมฉะนั้นขอให บันนี้ขอพูดถวายกระพวทท่านทั้งหลายต่อห น, นี้ไปก็หากว่าทําจิตการงานเราธรรมดาเราจะออกจากนี่ไปสู่สาขาก็ตามจะไปสู่ที่ไหนก็ตามนะอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวของตัวเดี๋ยวว่าเรายังไม่สําเร็จเรายังไม่เสร็จสิ้นการงานของเรายังมีมากภาระของเรายังมีมากคือข้อประพฤติปฏิบัติในการละการบําเพ็ญของเรายังมีมากให้เป็นห่วง ไว้ที่นี่ถึงคราวต่อไปปริยัติต่อไปปีหน้าทาเรามีชีวิตอยู่เราก็รู้เข้าสอบอย่างเต่าเราเนี้ยสอบไป<ม>เพื่อหากว่ามันเป็นช่องชี้ทางเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติ<ม>ไปเป็นคู่กันไปเนี่ความเป็นจริงแล้วเรื่องปริยัติคดีเรื่องปฏิบัติกดีนะเรื่องไม่เสื่อมทั้งเรื่องดีทั้งนั้น แต่ว่าเราคิดไม่ถูกเราปฏิบัติไม่ถูกเราเดียกวมันเสื่อมตอนนี้ก็ตอนนี้ไปก็มีเวลาที่พวกเราทั้งหลายจะทำธุรนาทีบางอย่างก่อนเมื่อเราไปอายุทยาเสร็จแล้วกลับมาเดียบร้อยจึงจะทำการบรประชาอุปสมบทให้มันเป็นชุด เนนซึ่งมีอายุครบ20ปีแล้วก็จะรับบวชมาทำบริคารกันบวชกันในในปีนี้ที่พวกนาคที่คขามาใหม่จะรับน้องใหม่ให้นุ่งขาวไปอย่างเดิมของเราอาจะนั่นผู้ที่อย่างทันแปลงอาจารย์เลี่ยมวีระพล ใครที่เคยทํากันมานั่นก็พักกันดูดูไว้การอุปสมบทนะผมนั่นก็มันอาศัยพวกทันทั้งหลายนะอืมเป็นหัเป็นตาอไอความจํานี่ก็มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วแต่ก็อยู่ไปพูดไปเท่านั้นแหละมันเหลือแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเท่านั้นแหละตัวนี้ฉะนั้นจริงๆขอโอกาสกับพวกทันทั้งหลายด้วยว่าือบางทีพวกก็ไปพักอยู่ให้โอกาสที่จะอยู่สบายอืร่างกายนี้ก็ด้ว่อยละ ไปเขื่อนมาเนี่ก็ดูจะมันดีขึ้น ม, มันดีขึ้นดีกว่าที่อยู่บ้านเราวัดเราเมื่อมีโอกาสพอสมควรแล้วผมควรจะเข้าไปในป่าไปหลั ง, งับโลกเช่นวัดเขื่อนศิรินทรนนะ์เป็นตัวอย่างกอไปไปมามาแยกพวกกันทั้งหลายก็ประการตั้งใจทุกทุกคนจะอยู่ในสาขาก็ดีอยู่ในที่นี่ก็ดีพากันส่งค อ, อวัดปฏิบัติไว้ เพราะว่าในเวลานี้พวกเราทั้งหลายรวมกันทำมันหลายแล้วหลายสาขาแล้วต้องประตันพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสาขาต่างๆมีกําเนิดเกิดจากสาข า, เ, าเกิดจากวัดประพงค์จะถือว่าวัดประพงค์นี่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยมอย่างของสาขาทั้งหลายต่้แนั้นก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระเนนครูบาอาจารย์ทุกองค์ซึ่งอยู่ประจําสาขา นะซึ่งอยู่ประจำวัด ต, ตรงพวกนี้พยายามให้เป็นแบบเรียนเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างเป็นครูบาอาจารย์อของสาขาทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้มแข็งในการประพฤติในการปฏิบัติตามสราหน้าที่ของสมณะพวกเราทั้งหลายนั้นต่อไป อ, อันนี้ก็ไม่มีอะไรหรือมีอะไรไมืม คณะสงฆ์เราทั้งหมดใครมีอะไรไหมปีนี้จะเป็นปีใหม่บางทีเขาสองยามาก็มารวมกันพวกชาวตลาดต้ามาถวายน้ำมูกกำมันถวายแสงสว่างตามภาษาของเขาหนึ่งปีดะะนั้นปีนี้วันนี้จึงมารวมกันช่เรามารวมกันพูดกันเรียกเรียนน้อย ถ้ามีธุระนาที่แต่มีปัญหากขจึงพูดกันใหม่ตามทีหลังปัญหามันเกิดมาแล้วก็แก้ปัญหามันยไปอืแต่ว่าใครมีอะไรก็บอกใครไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นโรคอะไรก็ให้บอกค่อยๆบาบัดกันไปอืที่ผมนี่ก็อาศัยพวกชั้นทั้งหลายนั่นแหละอยู่เนี่ยอืม เป็นหลักอี่สสำคัญอยู่และเรื่องอย่างอื่นก็ฟังหลังก็อัพูดกันวันนี้ก็คือสองยามนี้เขาก็จะมาถวายเครื่องบูชาตอนนี้ไปพวกเราท่างหลาย ป, ประกันกันทำวัดสวดมนต์ไหมใช่ไตอนนั้นไปก็ฟังเปิดคลิปท่านเจ้าคุณพุทธทาสฟังกันไ ป, ประสมควร พรุ่งนี้นิมนต์บินธบาตเทศบาลแน่นวะนิมนต์นิมนต์นิมนต์บินธบาตเทศบาลอ่ารถเทศบาลจะมารับแน่นโมเดียมมันที่หนึง่งอ่ะทุกท่านทุกท่านนะออไปบินธบัตซะก่อน ก็แล้วพูดกับสาขาก็ให้มันจบปีใหม่ก่อนอย่างคันบุญเนี่ยหรือมันพจะใจลับไปก่อนผมแต่ว่าในสิ้นปีใหม่ซะก่อนจะสักกันไปใช่ละอันไปใช่ละพระถิมอยู่ปฏิวัติจะได้ละอะไรว่านะพู้ทีมอยู่ปฏิวัติดนะ้วนะ พอได้มากว่ฮะองหลายสิบวดตั้งใจสำไรับสิบวดนี่สิบวดอยู่น่านอยู่บ่ฮะเออบวดอุปชาอะไรล่ะท่านบวดมา <c oughs> นี่เราื่การบวดบวดรกษศศา การบวชบริเลศึกษาชู้บาอาจารย์บวชแด่ผอุปราชญ์อาจารย์กับดดาารบริเนี่คําสอนนี่คือมันขาดเนี่ขาดปรดิยัติขาดปริยัติคือโมโหเรื่องว่าทําอย่างนี่มันผิดทําอย่างไหนมันถูกโมโหจักแล้วก็ไปทานั้นเป็นอาวัตอาวัตนักแจ่แกยอะไรคืออาวัราตรสักขัดจิต ในเวลาปัจจุบันนี้มากที่สุดใดยุาน่คือพระอุปชาชบวชก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยไม่จับใบว่าเป็นจริงบวชแล้วก็ต้องให้ยูน้ำ5าพันศาอาวัตนักอาวัสเบาบอกให้เดียบลอยม้อถูกยางให้รู้จักท่านจะให้ออกไปออกไปเที่ยวไปได้ห้าพันษาทุกวันนี้บวชตอนเช้าตอนเย็นไปแล้ว เนี่ยอย่างนี้อืบวชแล้วก็ไม่ฝึกอืมไม่ฝึกถ้าถ้าคนทำนํำนาเกาจับหางไถไถานาอย่ไปจับมาบวชเลยผู้ประชาต้องบอกไปเตนโมนนโ ม, นมตระนโมตระปะตะวโตภะตะวโตผูตต้ประชาอดทนเรือเกินบอกไปนี่แหละโทษมันนี่ท่านทั้งหลายเนี่ยโทษมันเป็นอย่างนี้ ที่นี่วัดนองประโภคเราเนี่ยเราจรึงเอาคุณบูตรลูกหลานมาบวชไงมาฝึกซจ้ากรมาฝึกซจ้ากรว่าการบวชเป็นอย่างไรทําอย่างไรตองไม่รู้จักกันเรียกว่าการทุพราชมาฝึกมาฝึกการย่อมผ้าการตัดผ้าการนบมบาทจิตวัด ต, ต่างๆอุปชายวัดอจาริยวัดให้มันรู้จักหนุ่งขาว เนี่ยบ า, าบางคนก็สงพงภษาหนึ่งบางคนก็สองราษาบางคนก็ไม่ได้บวชเลยมันฝึกไม่ได้เนี่ยอย่างนี้คือฝึกไม่ได้เอามาบวชมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันเป็นโทษตนก็ไม่เกิดประโยชน์พระศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์เสียาหายฉะนั้นใ น, นวัดนัวพงศ์นี่จึงได้มาอาศัยอยู่เนี่ยอืต้องอาศัยเกิดบุตรลูกหลานเนี่ยว่าฝากอยู่นา น, าน ตลอดพระฝรั่งมาบวชก็เหมือนกัน<ม>เอาอยู่นั่นแหละ<ม>โกนผมใไปนุ่งขาวอยู่อย่างนั้นแหละฝรัง่งเลยเอาให้หมดผู้อภิธรรมซะก่อนเ<ม>้าก<ม>็อุตส่าห์ทาถ้าบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องเรื่องแก้อรัสทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีมมเราก็รู้จักมีความละอายรู้เรื่องแล้วนี่เดียวประดิจิตกรู้จักอ<ม>ืม ทุกวันนี้อันนี้มันกำเริบขึ้นมาแต่อันนี้ต้องอยู่ปฏิวาิปฏิวาิทำไมอยู่อยู่ปฏิวาิกันทุกวั น, นจริงมีหน้ามีตากันเดียววัดนั่นอยู่ปฏิวาสเดียววัดนี่อยู่ปฏิวาสเท่านั้นร้อยเท่านั้นสองร้อยสามร้อยก็พรกกกันไปอยู่ปฏิวาิอยู่ปฏิวาิออกจากกบิเนี่ยก็ย่งไงพระเจ้าพะสงเราเกิดประมาทขึ้นมาดีด้วย เป็นผู้ไม่สังวรเป็นผู้ไม่สังรวมขึ้นก็ยิงอยู่ปริมาตรด้วยผมเคยเล่าให้ฟังไม่บอ่อยเหมือนโจรเลยเหมือนขโมยน่ไปขโมยของ ข, องของมานมีทนายไปประกันลงมาซะไม่ต้องติดตารางไม่ให้ผิดเนี่ยขโมยมันก็เยอะเท่านั้นแหละอันนี้กคุมันกันเนี่ยพระเจ้าประสงค์เราคุมันกันเป็นอาบัติอย่างนี้ก็เอาออกมาเอาออกมาเป็นเหตุไในสังวรสังรวมรู้ผลที่ะมันเกิดขึ้นมาเถอะในบ้านในเมืองของเราทุกวันเนี้ย พระเจ้าประสงค์มันไม่ปแปลกอย่างกับคารวะขางเราแล้วลำบาก อ, อันนี้ถ้าท่านจังใจดีแล้วผมก็ช่พระไปะไปช่วยให้ทานนวยเลือกเราต้อตงหาผู้ที่สำคัญผู้ที่อยู่ปริวาสให้เขาตรงหาคนอยู่ปริวาสอยู่ไปกี่ปีปมั้ยมีศรัทธายัางไหมต้องรูจัด แล้มวลมันจะนีพโมอเอแหละพระพระังเป็นเป็นอาวัตมาพวทหมยไปพุดไ ป, ไปปักใจให้เรินทรวงไปเสีด้วยม่ให้ น, หนั่งรถด้วยเล่นห่าสันตจิตตัวเดินไปเถอนไปอยู่ปฏิบั ต, ป, ตปักใจอาจารย์จำเนีย น, ปนไปโทษมันคาโทษมันที่นีโ่ได้อะไรที่นี่ เ, เ, นนเคดตา ฉะนั้นเมื่อท่านต้องการจะทำก็ต้องทาใจให้มันดีเดี๋ยวพุทธิให้ครอมบริสุทธิ์ท่านที่เป็นไปในวงฆอท่านมันจะน้อยนะ่าถ้าอยู่ตามบ้านๆเขาได้เลยไปเฉยๆอันนี้ไอ้ท่านเห็นให้เข้าใจว่าพวกคณะสงฆ์นั่นสงสารท่านต่อยู่ในพรรษาเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ร่วมโรสถทธไม่ให้รวมสังวา่ แ่พราะพระพุทธเจ้า ส, สอนอย่างนั้นอันนี้เมื่อเราเห็นโทษออกแล้วก็พยายามท่านทําให้ได้ก็ให้ทาคุ้มค่าท่านต้องสงนะนี่นะอภาร์ตั้งยี่สิบองนะนี่ต่อไปท่านจะไปหาพระจิตไหนมาได้เรียกว่าพระสงฆ์ท่านสงเคราะห์ท่านให้ท่านตั้งใจให้ดีเดียวก็ทําให้ดีเดี๋ยวก็คิดให้ดีเมื่อท่านอยู่ปฏิวัติออกปฏิวัติแต่ท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นสู่ปฏิปัโนเป็นผู้เตวัดตีปฏิบัติตรง อาจารย์หายพยศที่นี้ผมจะให้พระจัดภาพไปกับนุวยน่่ยจะไปมือื่นบอกอไปแยามใดหรือจันเนี่ยจัดงานเดนทง ไ, ง ไ, ไปโดดไม่ใจหรัง บินเคยทำตัวต้องพอกันส่งพาไปให้ขน่อยส่งแกองค์ดีๆเดียไปองค์บุรีส่งไปเลยโอ้ยน่ายง่ายเถอวะห็นบมาเรื่อยเขาชึ้นซ vale> ันบ่ถ้าเจ้าดีปันไดเราสนอกอัดคุ้ผาเอาความปีแครงเอาหมดตัวต่ี้หูเก่งแก่